ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณฟังค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะวันนี้ Animal f ฟ r ร์มสงครามกบฏของสรัรปัตว์งานเขียนของจอร์ดออเวลนะคะเสียดสีเยอะหยักนการเมืองซึ่งเป็นการเมืองในยุคสตาลินเรื่องอำนาจในรัเสเซียนะคะ แต่ว่าเรื่องราวก็ยังคงทันยุคทันสมัยเรื่องแบบนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นงานเขียนของจอร์จออเวลชิ้นนี้จึงกลายเป็นวรรณกรรมอมะตะที่ยังคงทันยุคทันสมัยอยู่ทุกสมัยแม้กระทั่งถึงปัจจุบันค่ะเพราะว่าก็จะมีเหตุการณ์คล้ายๆกับในเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆเพียงแต่ต่างกันที่ตัวละครและก็รายละเอียดเท่านั้นเอง วันนี้มาถึงตอนที่เจ็ดแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะจบลงไปทุกทีลองมาลุ้นกันว่า Animal Farm มจะไปรอดหรือไม่นะคะมาทวนความเดิมกันเลยนะคะนโปเลียนถูกเฟดริกโกงใช้เงินปลอมมาซื้อไม้แล้วก็ยังบุกโจมตี Animal Farm ์มระเบิดทำลายโรงสีมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนสัตว์ตายไปหลายตัวแต่สุดท้ายพวกสัตว์ก็ชนะโดยสูญเสียโรงสีที่สร้างมาด้วยความยากลาบากต่อมาค่ะ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหมูเริ่มหันมาดื่มเหล้าแล้วก็มีการแก้บทบัญญัติใหม่ว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจากแต่เดิมที่บอกว่าห้ามสัตว์ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็บันดาหมูก็เริ่มประกาศอภิสิทธิ์มากขึ้นเช่นมีสิทธิ์ที่จะสวมริบบิ้นสีเขียวที่หางในวันอาทิตย์หรือว่าสัตว์อื่นๆจะต้องหลีกทางให้หมูเวลาที่เจอกัน นโปเลียนมีลูกแล้วก็ห้ามไม่ให้ลูกๆไปเล่นปะปนกับสัตว์อื่นๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญคุณผู้ฟังติดตามได้เลยค่ะกับงานเขียนที่เสียดสีเยอะอยันการเมืองการปกครองจากปลายปากกาของนักเขียนชาวอังกฤษจอร์ g ออเวลล์ Animal Farm ตอนที่7ช่วงที่1ค่ะ ันั้น a n น m a l f a r ร์มได้ผลผลิตดีทีเดียวแต่ก็ยังขาดเงินสดยังต้องใช้เงินซื้ออิดไซายแล้วก็ปูนสำหรับสร้างโรงเรียนแล้วก็จะต้องเก็บเงินเพื่อซื้อเครื่องจักรกลสำหรับโรงสีอีกด้วยไหนยังจะมีค่าน้ำมันตะเกียงแล้วก็เทียนไขสำหรับเรลือนหลักน้าตาลสาหรับนบโปเลียนอัน 1. น, นโปเลียนห้าหมูตัวอื่น น้ตาลโดยอ้างว่าจะทำให้อ้วนแต่นบโปเลียนกินได้รวมไปถึงสิ่งของที่ต้องหามาทดแทนตามปกติเช่นเครื่องมือต่างๆตะปูเชือกฐานหินลวดเศษเหล็กและขนมปังกรอบสำหรับสุนัขมีการขายฟางลอมนึงแล้วก็มันฝรั่งบางส่วนไปสัญญาขายไข่ก็เพิ่มจำนวนไข่เป็นสัปดาห์ละห0 0ฟอง ซึ่งเล่นเอาแม่ไก่แทบจะฟักไข่ได้ไม่พอขายการปั่นส่วนที่ลดลงในเดือนธันวาคมก็ลดลงอีกในเดือนกุมภาพันธ์มีการห้ามจุดตะเกียงในข้อกล่าวเพื่อประหยัดน้ำมันในขณะที่บรรดาหมูทั้งหลายดูสบายแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บ่ายวันหนึ่งในช่วงปลายของเดือนกุมภาพันธ์เหล่าสัตว์ทั้งหลายได้กลิ่นหอมชวนน้ำลายไหลยอย่างที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนลอยผ่านมาจากลานโรงต้มกลั่นซึ่งไม่ได้ใช้แล้วในสมัยของนายโจนส์โรงนี้อยู่ถัดจากห้องครัวของเรือนไปสัตว์บางตัวก็บอกว่านี่มันเป็นกลิ่นของข้าวบาเล่สุกชัด พวกสัตว์พากันสูดกลิ่นหอมในอากาศอย่างหิวกระหายแล้วก็สงสัยว่าข้าวที่กำลังต้มนี้จะเป็นอาหารเย็นของพวกมันหรือไม่อย่างไรแต่แล้วก็ไม่มีข้าวต้มอุ่นๆมาให้กินอย่างที่คาดหวังและวันอาทิตย์ต่อมาก็มีประกาศว่าต่อไปนี้ข้าวบาเล่จะสงวนเอาไว้สําหรับหมูเท่านั้น ท้องทุ่งที่อยู่ถัดสวนผลไม้ไปหวานข้าวบาเล่เอาไว้แล้วแล้วก็มีข่าวหลุดออกมาว่าเดี๋ยวนี้หมูทุกตัวได้ปันส่วนเบียรตัวละหนึ่งพายต่อวันนโปเลียนได้ถึงครึ่งกันหลอนซึ่งจะใส่ในชามซุปคราวดาบี้ก่อนนําไปเสิร์ฟให้คราวดาบี้เป็นเครื่องถ้วยชื่อดังนะคะก็คือว่าต้องมีการใส่ภาชนะที่รู้ร้าดูดีสมศักดิ์ศรีผู้นำหลับ จริงๆแล้วบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ถือได้ว่าต้องเผชิญกับความระกรรมลำบากพอสมควรอาหารการกินก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์แต่ถึงอย่างไรพวกมันก็ปลอบใจตัวเองว่าชีวิตวันนี้มีศักดิ์ศรีดีกว่าสมัยก่อนมีเพลงหลายบทกว่าแต่ก่อนมีสุนทรพจน์มากกว่าแต่ก่อนและก็มีขบวนแห่บ่อยกว่าแต่ก่อน นโปเลียนมีคำสั่งให้จัดสิ่งที่เรียกว่าขาบวนแห่ฉับพลันสัปดาห์ละครั้งเพื่อฉลองชัยชนะของ Animal Farm ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้บรรดาสัตว์ก็จะพระจากงานมาเดินสวนสนามแบบทหารไป ร, บรอบๆโดยมีหมูเดินนำตามด้วยมา้าวัวแกะแล้วก็เป็ดไก่แล้วก็มีหมาเดินขนาบขบวนมีไก่ดำของนโปเลียนเดินนำที่หัวขบวน วอกเกอร์ er กับโคเวอร์มักช่วยกันถือธงเขียวที่มีสั ญ, ญลักษณ์กีบตีนและก็เขาสัตว์พร้อมด้วยข้อความว่าสหายนโปเลียนจงเจริญจากนั้นก็จะมีการอ่านบทร้อยกรองสรรเสริญนโปเลียนมีปาตากถาโดยสกิลเลอร์ที่กล่าวถึงรายละเอียดการผลิตอาหารบางครั้งยังมีการยิงสลุดหนึ่งนัดอีกด้วย บรรดากแกะทั้งหลายดูเหมือนว่าจะชื่นชอบและก็อุทิศตนให้กับเรื่องของการแห่มากเป็นพิเศษและถ้าเกิดต้องมีสัตว์ตัวไหนบนบอกว่าเป็นการเสียเวลาในการที่มาเดินสวนสนามหรือว่ามายืนแกรวอรอครั้งละนานๆท่ามกลางอากาศหนาวพวกแกะก็จะกรบเสียงด้วยการร้องดังลั่นว่าสีขาดีสองขาเลว แต่ถ้าพูดโดยภาพรวมบรรดาสัตว์ก็เพลิดเพลินกับการเฉลิมฉลองเหล่านี้รู้สึกว่าน่าอุ่นใจที่ได้เตือนว่าถึงอย่างไรพวกมันก็เป็นนายของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นทาสของมนุษย์หรือว่าทำเพื่อมนุษย์อย่างแตกอรการงานที่ทำไปทุกวันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นแล้วก็มีการร้องเพลงแฮ่แ ห, แหนรายงานตัวเลขของสกิเลอร์ มีเสียงปืนที่ดังสนัน่นเสียงไก่ร้องนำขบวนเสียงธงสะบัดลมสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกมันสามารถจะลืมไปได้อย่างน้อยก็สักชั่วขณะหนึ่งว่าพวกมันหิวท้องว่างคือจริงๆเนี่ยหิวแล้วก็ค่อนข้างจะอดอยากแต่ก็มีสิ่งปลอบใจ ชดเชยทำให้ลืมเรือนความเป็นจริงชั่วขณะมนุษย์เราก็คงประมาณนี้เหมือนกันในเดือนเมษายนมีการประกาศว่า a อนิม l f ฟ r ร์มเป็นสาารณรัฐแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งก็มีผู้สมัครเพียงคนเดียวขออภัยตัวเดียว <c oughs> ก็คือนโปลเลียนนั่นเองแล้วก็ได้รับเลือก อย่างเป็นเอกฉันท์ในวันเดียวกันก็มีข่าวออกมาว่าได้ค้นพบเอกสารชุดใหม่ซึ่งเผยให้เห็นรายละเอียดแผนการที่สโนโบอลคบคิดกับนายโจนส์ดูเหมือนว่าสโนโบอลไม่ใช่คบคิดธรรมดานะคะแต่ว่ายัางได้ต่อสู้อย่างเปิดเผยโดยอยู่ข้างนายโจนส์ ที่จริงแล้วสโนบอลนั่นเองเป็นผู้นำกองกำลังฝ่ายมนุษย์แล้วก็โจมตีพร้อมกับร้องว่ามนุษยชาติจงเจริญแผลที่หลังของสโนบอลซึ่งสัตว์บางตัวยังจำได้เกิดจะเคี่ยวของนโปเลียนอันนี้คือสิ่งที่ทางนโปเลียนบอกนะ สิ่งที่ซ e คิวเลอร์พยายามที่จะบอกสัตว์ทั้งหลายว่าไอ้เจ้าสโนบอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ฝ่ายพวกเรามันอยู่ฝ่ายมนุษย์แผลที่หลังของมันก็โดนเคี่ยวของนโปเลียนไม่ได้โดนกระสุนปืนหรือว่าไม่ได้มาจากการต่อสู้กับมนุษย์คือสัตว์ต่างๆนี่เห็นแล้วก็จำได้แต่เมื่อถูกซูคิวเลอร์พยายามที่จะให้ข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดพวกสัตว์ก็เริ่มคล้อยตาม ในกลางฤดูร้อนจูจูกาที่ชิว่าโมเสสก็โผล่หน้ามาที่ไร่อีกครั้งหลังจากหายหน้าไปหลายปีมันไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะอย่างขี้เกียจแล้วก็ไม่รู้จักการทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ยังพูดจาเหมือนเดิมเรื่องภูเขาลูกกวาด จมูเศษจะเกาะที่ลอมฟงังกระพือปีกสีดำแล้วก็จะพูดพร่ามเป็นชั่วโมงชั่วโมงให้ใครก็ตามที่ยอมฟังมันจะบอกว่านี่นะสหายเอ้ยบนนั้นข้างหลังเมกดำที่เห็นอยู่โน้นมีภูเขาลูกกวาดดินแดนแสนสุขที่สัตว์ยากไร้จะได้พักผ่อนตลอดการจากการทำงานหนัก จโมเสสอ้างว่ามันเคยไปที่นั่นมาแล้วตอนที่บินขึ้นไปสูงๆครั้งหนึ่งและได้เห็นต้นได้เห็นทุ่งต้นโคเวอร์กว้างใหญ่ไม่สิ้นสุดเห็นก้อนลินสีดแล้วก็น้ำตาลก้อนงอกออกมาจากพุ่มไม้สัตว์หลายตัวเชื่อโมเสษเพราะเห็นว่าชีวิตของตนในปัจจุบันมีแต่ความหิวโหวยแล้วก็งานหนักไม่เป็นเรื่องถูกต้องและยุติธรรม ที่จะมีโลกที่ดีกว่านี้อยู่ที่ไหนสักแห่งสิ่งที่ตัดสินได้ยากก็คือหมูมีท่าทีต่อโมเสสอย่างไรกันแน่ปรากฏว่าพวกหมูก็ประกาศอย่างเยียดยามว่าไอ้เรื่องภูเขาลูกวาดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกพกลมแต่ก็ยอมปล่อยให้โมเสสอยู่ที่ไร่ต่อไปโดยไม่ต้องทำงานทำการแล้วก็ยอมให้มันดื่มเบียร์วันละหนึ่งในสีของภายด้วยนะคะ ทางด้านบ็อกเซอร์ม้าจอมขยันเมื่อกีบตีนของมันหายดีแล้วเจ้าบ็อกเซอร์ก็ทํางานหนักยิ่งกว่าเดิมจริงๆในปีนั้นสัตว์ทุกตัวทํางานหนักเยี่ยงทาตอยู่แล้วเพราะว่านอกจากงานประจําในฟาร์มก็ยังมีงานสร้างโรงสีขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการสร้างอาคารโรงเรียนสําหรับลูกหมูซึ่งเริ่มสร้างในเดือนมีนาคมบางครั้งสัตว์ต้องทํางานนานหลายชั่วโมงโดยได้กินอาหารที่น้อยนิด ไม่เพียงพอพวกมันทรมานมากนะคะแต่เจ้าบ็อกเซอร์ก็ไม่เคยย่อท้อลดละมันไม่เคยพูดหรือทำอะไรที่เป็นสัญญาณว่าไม่มีพ ล, ลังเหมือนเดิมมีแต่รูปร่างท่าทางเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้เจ้าบ็อกเซอร์ไม่ได้มีหนังที่เป็นมันวาวเหมือนเดิมสปู๊กที่ใหญ่โต ก็ดูเหมือนว่าจะหดลดขนาดลงสัตว์ตัวอื่นๆบอกว่าเดี๋ยวบ็อกเซอร์ก็จะดูสดใสอีกครั้งเมื่อย่าในฤ ด, ดูใบไม้ผลิเริ่มงอกแต่พอฤ ด, ดูใบไม้ผลิมาถึงจริงๆบ็อกเซอร์ก็ยังไม่อ้วนขึ้นบางครั้งเวลาที่มันกำลังเกรงกล้ามเนื้อชักลากหินก้อนใหญ่ อยู่ตรงทางลาดขึ้นไปยังปากเมืองก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรช่วยให้มันยืนหยัดอยู่ได้นอกจากความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการที่จะทํางานต่อไปในช่วงเวลาดังกล่าวจะเห็นริมฝีปากของบ็อกเซอร์เหมือนกับจะพูดว่าฉันจะทํางานให้หนักขึ้นแต่ตอนนี้มันไม่มีเสียงที่จะพูดอะไรได้อีกต่อไป โคเวอร์และเบนจามินเตือนบ็อกเซอร์บอกว่าให้รักษาสุขภาพด้วยแต่บ็อกเซอร์ก็ไม่ได้ใส่ใจวันเกิดอายุครบ12ของมันก็ใกล้เข้ามาและมันก็ไม่แยแสนสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นตราบใดที่มีหินสะสมไว้มากพอก่อนที่มันจะเริ่มกินบำนานก่อนที่มันจ ะ, กะเกษียณเพราะว่าสัตว์จ ะ, กะเกษียณอายุตอน12ปีนะคะอันนี้เป็นข้อตกลงของ Animal Farm เย็นย่ำวันหนึ่งในฤดูร้อนมีข่าวลือแพร่ไปทั่วฟาร์มค่ะว่าเกิดเรื่องกับบ็อกเซอร์ขณะที่ออกไปลากหินไปยังโรงสีปรากฏว่าข่าวลือนั้นเป็นความจริงไม่กี่นาทีต่อมานกพิราบก็ขาบข่าวมาบอกว่าบ็อกเซอร์ล้มแล้วบ็อกเซอร์ล้มแล้ ว, ออลลวนอนตะแคงลุกไม่ขึ้นเลย สัตครึ่งฟาร์มก็รีบรุดไปยังโคกอันเป็นที่ตั้งของโรงสีลมแล้วก็เจอบ็อกเซอร์นอนอยู่ตรงนั้นคาอยู่ระหว่างเพลาลากเกวียนพอยืดพองกหัวไม่ขึ้นดวงตาฟ้า ฟ, า, ฟางเหงื่อเป็นเมือกที่สีข้างแล้วก็มีเลือดหยดจากปากออกมาเป็นสายเล็กๆสายหนึ่งโคเวอร์คุกเข่าลงข้างบ็อกเซอร์พลางร้องเรียกแล้วก็ถามว่าบ็อกเซอร์เป็นยังไงบ้าง ปอดชันนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันว่าพกเธอสร้างโรงสีลมจนเสร็จได้โดยไม่มีฉันมีหินสะสมเอาไว้มากพอสมควรแล้วถึงยังไงก็กะอยู่ว่าฉันคงจะต้องขนหินไปอีกเพียงเดือนเดียวก็คงจะพอใช้ที่จริงฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยวันกเกษียนอยู่ในเมื่อเบนจามินก็แก่ตัวลงแล้วเหมือนกันบางที อาจจะมีการยินยอมให้เบนจามินกเกษียณเป็นเพื่อนฉันไปพร้อมกันก็ได้โคเวอร์ Cover ก็บอกว่าเราจะต้องไปตามใครมาช่วยเดี๋ยวนี้เร็วใครช่วยวิ่งไปบอกส q u คิวเลอร์ทีว่าเกิดอะไรขึ้นสัตว์ตัวอื่นๆก็วิ่งโร่กลับไปที่โรงนาเพื่อแจ้งข่าวแก่ส q u คิวเลอร์เหลือโคเวอร์และเบนจามินที่อยู่ข้างๆบ็อกเซอร์ er, คอยใช้หางปัดมแมลงให้อยู่เงียบ จากนั้นประมาณ15นาทีต่อมาสควิลเลอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นสควิลเลอร์แสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นห่วงบอกว่าตอนนี้สหายนะโบเลียนรับทราบข่าวร้ายแล้วแล้วก็ทุกขร้อนใจยิ่งนักได้จัดเตรียมการส่งบ็อกเซอร์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวินลิงดอนพวกสัตว์ปรูวิกส์ไม่ค่อยสบายใจไม่มีสัตว์ตัวใดเคยออกไปจากฟาร์มยกเวนมอนลลี่แล้วก็สโนโบอล และสัตว์ก็ไม่อยากจะนึกภาพสหายก็คือไม่อยากนึกภาพบ็อกเซอร์ซึ่งกำลังป่วยต้องตกไปอยู่ในเงื้อมมือมนุษย์คือยังไงยังไงก็ไม่น่าไว้ใจแต่อย่างไรก็ดีค่ะสกิลเลอร์ก็จัดการกล่อมพวกสัตว์ทั้งหลายได้สำเร็จอย่างง่ายดายบอกว่าสัตวแพทย์นายวินลิงดอนเนี่ยสามารถ ร, รักษาอาการของบ็อกเซอร์ได้รักษาได้ดีกว่าที่จะรักษากันเองในฟาร์ม ขอให้เชื่อเธอประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อบ็อกเซอร์เริ่มมีอาการค่อยอยังชั่วขึ้นบ้างแล้วมันก็ลุกขึ้นยืนด้วยความยากลำบากแล้วก็เดินโผเพกลับไปที่คอกซึ่งโควเวอร์และเบนจามินก็ได้เตรียมปูฟางเอาไว้ให้แล้วคือเพื่อนๆก็ดูแลอย่างดีนะคะเพราะบ็อกเซอร์นี่นเป็น คือเป็นสัตว์ที่ดีมากๆแล้วก็อุทิศตัวให้กับการทำงานหนักไม่เคยเรียกร้องแล้วก็ไม่เคยงองแงอะไรเลยไม่เคยเป็นปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นปรากฏว่าตลอด2วันหลังจากนั้นบ็อกเซอร์ก็อยู่แต่ในคอกพวกหมูส่งยามาให้เป็นยาสีชมพูขวดใหญ่ที่เจอในตู้ยาในห้องน้ำโคเวอร์จะมาป้อนยาบ็อกเซอร์วันละสองครั้งหลังอาหาร ตอนเย็นโควเวอร์ก็จะมานอนคุยเล่นในข้อกับบ็อกเซอร์ในขณะที่เบนจามินคอยปัดมแมลงหวีมาแรงวันให้บ็อกเซอร์ก็ออกตัวบอกว่ามันไม่เสียใจหรอกนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าหายดีเมื่อไหร่ก็อาจจะมีอายุยืนยาวไปได้อีกสัก3ปีมันก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันที่จะได้ใช้ชีวิตบัดปลายอย่างสงบสุข ณมุมใดมุมหนึ่งของท้องทุ่งเมื่อถึงตอนนั้นก็คงจะเป็นครั้งแรกที่มันคงมีโอกาสที่จะอยู่แบบว่างๆคือมีเวลาว่างเพื่อที่จะศึกษาแล้วก็ปรับปรุงสติปัญญาของตัวเองบอกเซอร์ตั้งใจว่ามันจะอุทิศช่วงชีวิตบั้นปลายเพื่อการเรียนหนังสือโดยเฉพาะการเรียนอักษร22สตัวที่เหลือ เพราะว่าในชีวิตของมันนี่มันท่องได้แค่4ตัวเท่า น, นั้นเองอย่างไรก็ดีเบนจามินและโคเวอร์อยู่เป็นเพื่อนบ็อกเซอร์ได้เฉพาะช่วงหลังเวลา ง, งานและตอนที่รถบรรทุกมาเอาตัวบ็อกเซอร์ไปก็เป็นช่วงเวลากลางวันที่บรรดาสัตว์กำลังทำงานถอนวัชพืชอยู่ที่แปลงหัวเทอร์นิฟ ภายใต้การคุมงานของบรรดาหมูทั้งหลาย <How? S 1> พวกสัตว์ต้องประหลาดใจ <How? S 1> เมื่อเห็นเบนจามินวิ่งโร่มาจากทางหมู่อาคารโรงนาพร้อมกับตะเบงเสียงร้อง <How? S 1> จนสุดเสียงเกิดอะไรขึ้นทำไมเบนจามินซึ่งเป็นลาที่เงียบๆแล้วก็ไม่ค่อยจะหืออืออะไรกับใคร <How? S 1> จะมีท่าทีตื่นตระหนกขนาดนี้ <My> นี่เป็นครั้งแรกที่สัตว์เห็นเบนจามินตื่นตระหนกและก็เป็นครั้งแรกที่เห็นเบนจามินวิ่งโร่อย่างรวดเร็ว ด, ด้วยความตื่นตกใจเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ช่วงหน้ากับความเป็นไปใน Animal f a r ร์มค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน มาถึงช่วงที่สองของตอนที่เจ็ดนะคะ Animal Farm ค่ะงานเขียนของ George Orwell ที่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแต่เรื่องราวและเหตุการณ์ก็ยังคงใช้ได้อยู่นี่แหะค่ะวรรณกรรมอมตะจะต้องไม่มีการเวลาเนื้อหาจะต้องเป็นเป็นสากลแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัจจะของมนุษย์ เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะก็บอกว่าจอร์ดออเวล์ด่าฝ่ายซ้ายแต่ก็ไม่ได้คือด่าฝ่ายขวาขอไผ่ด่าขวาแต่ก็ไม่ได้ปลื้มซ้ายเหมือในอย่างในเรื่องนี้ที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายยึดอำนาจมาจากนายโจนส์คือไม่ยอมอยู่ภายใต้กรอบเดิมๆปฏิวัติประชาชนชาวสัตว์เป็นใหญ่แต่เมื่อประชาชนชาวสัตว์ทั้งหลาย มีดินแดนเป็นของตัวเองมีอิสรภาพแล้วก็หวังจะให้มีประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าความเท่าเทียมก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่พวกมันคิดนโปเลียนก็ยังคงได้รับอภิสิทธิ์อะไรหลายอย่างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกสัตว์มึนๆแล้วก็งงๆว่าเอ๊ะสิ่งนี้ไม่เคยตกลงกันเอาไว้นี่นา ต้องบอกว่าเรื่องนี้เขียนเอาไว้ดีมากนะคะคืออ่านแล้วจะรู้สึกว่ามันโดนหลายจุดทีเดียวแต่เก็ชอบที่จอร์ดออเวลเนี่ยคือเขาเขียนด้วยมุมมองของคนที่เป็นผู้ดูจริงๆไม่ได้เอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่งแต่ชี้ให้เห็นข้อเสียหรือว่าโอกาสที่อาจจะเป็นไปได้ของทั้งสองฝ่ายของทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาคือถ้าเกิดว่า เป็นคนไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนจะซ้ายหรือว่าจะขวาเนี่ยมันก็ไม่ดีทั้งนั้นถึงได้มีการบอกว่าจอร์ g ออร์เวลนี่ไม่ชอบซ้ายแต่ก็ไม่ปลื้มขวานะคะแล้วก็เล่าเรื่องให้เห็นแบบกลางๆเพราะฉะนั้นอยากให้คุณฟังติดตามต่อไปนะคะว่าถ้าเรามองการเมืองในภาพรวม โดยที่ไม่มีอคติเนี่ยมันมีอะไรมีประเด็นอะไรที่จะให้แง่คิดกับเราได้บ้างจากเรื่อง Animal Farm คือเล่าเรื่องโดยการใช้สัตว์เป็นเอ่อเป็นตัวเดินเรื่องนะคะสนุกด้วยเด็กก็อ่านได้ผู้ใหญ่ก็อ่านได้เอาละค่ะคุณผู้ฟังคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่า เจ้าเบนจามินนี่มันวิ่งโกรมาทำไมมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเช่นนั้นก็ไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้พูดถัวรายการยาวไปนิดหนึ่งขออภัยกับตอนที่7ช่วงที่2 a n แอนิมอ r ฟาร์มคับ เบนจามินวิ่งโรเข้ามาพร้อมกับตะโกนว่าเร็วเข้าเร็วมาด้วยกันเดี๋ยวนี้เขาจะเอาตัวบ็อกเซอร์ไปแล้วสัตว์พากันพระจากงานโดยไม่ยอมรอฟังคำสั่งจากหมูเหมือนเดิมแล้วก็วิ่งกรูกันไปยังหมู่อาคารโรงนาภาพที่เห็นก็คือที่ลานมีรถตู้คันใหญ่ใช้มาลากสองตัวมีตัวอักษรเขียนไว้ด้านข้างรถแล้วก็มีผู้ชายท่าทางเจ้าเล่ สวมหมวกโบเลอร์ทรงแบนนั่งอยู่ตรงที่คนขับตอนนี้ข้อของเจ้าบ็อกเซอร์ว่างเปล่าแล้วก็คือเอาไปแล้วนั่นเองบรรดาสัตว์ก็ไปรุมล้อมรถตู้ลากรบ็อกเซอร์สัตว์ร้องเสียงกันเซ่งแซ่ว่าลากรลากรเจ้าพวกโง่เจ้าพวกโง่ เบนจามินร้องขณะวิ่งพรานวนรอบฝูงสัตว์แล้วก็ใช้อุงตีเล็กๆกระทืบพื้นไอเจ้าพุกโก้แกไม่เห็นรือไงว่าที่ข้างรถเนี่ยเขาเขียนอาไว้ไว่ายังไงคำพูดนี้ทำให้สัตว์ทั้งหลายซึ่งกำลังร่ำลาบ็อกเซอร์เนี่ยถึงกับอึ้งกันไปครู่หนึ่งมิเรียลเริ่มสะกดคำแต่เบนจามินแทรกตัวขึ้นมาแล้วก็อ่านท่ามกลางความเงียบงันว่า a l f เฟรดซิมอนส์ผู้กำจัดม้าและผู้ผลิตกาววินดิงดอนผู้ค้าหนังและกระดูกสัตว์ปนรับผสมพันธุ์สุนักไม่เข้าใจเรื่องไงว่ามันหมายความว่าอย่างไรเขาจะเอาตัวบ็อกเซอร์ไปโรงฆ่าม้าเท่านั้นเองบรรดาสัตว์ก็เป่งเสียงร้องด้วยความสยองขวัญชายที่นั่งตรงคนขับรีบสะบัดแส้หัวดม้าแล้วก็รถตู้ก็เคลื่อนออกไปจากลาน บรรดาสัตว์เดินตามแล้วก็ตะโกนเซงแซ่สุดเสียงโควเวอร์แซงไปข้างหน้าฝูงรถตู้ก็เริ่มแล่นเร็วขึ้นโควเวอร์พยายามเร่งขยับขาอันเทอะทะให้เป็นการวิ่งขยโยกแต่ก็ทำได้เพียงวิ่งเหาะมันตะโกนร้องเรียกว่าบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์และตอนนี้เองบ็อกเซอร์ก็คงได้ยินเสียงเอะอะจากข้างนอก หน้าที่มีปืนขาวผ้าตรงมาถึงจมูกของบ็อกเซอร์ก็โผล่มาทางช่องหน้าต่างเล็กๆด้านหลังรถตู้บ็อกเซอร์ลงมาเร็วๆ เ, เขาจะเอาเธอไปฆ่าลงมาบ็อกเซอร์ลงมาสัตว์ทุกตัวช่วยกันร้องแต่รถตู้ก็วิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็กำลังห่างออกไปทุกทีทุกทีไม่แน่ว่าบ็อกเซอร์เข้าใจที่โคเวอร์บอกหรือไม่ แต่ครู่ต่อมาหน้าของบ็อกเซอร์ก็หายไปจากช่องหน้าต่างท้ายรถแล้วก็มีเสียงกรีบตีนเตะกระแทกดังสนั่นในรถตู้มันพยายามที่จะเตะผนังรถออกมาสมัยก่อนแรงเตะด้วยกรีบของบ็อกเซอร์เพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถจะพังรถตู้จนย่อยยับเป็นสิ่งเสียงได้ไม่ยากแต่ตอนนี้รีวแรงของมัน ไม่เหมือนแต่ก่อนเรี่ยวแรงของมันแทบจะไม่เหลือแล้วมันเตะอยู่ได้ไม่กี่ครั้งเสียงเตะก็ดังแผ่วลงแผ่วลงแล้วก็ค่อยๆเงียบไปด้วยความอับจนหนทางพวกสัตว์จึงเริ่มอ้อนวอนม้าสองตัวที่ลากรถตู้ให้หยุดวิ่งสหายสหาย อย่าพาพี่น้องของเจ้าไปตายเลยนะเราเป็นพวกเดียวกันนะแต่สัตว์โง่สองตัวโง่จนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันได้แต่ทำหูลู่แล้วก็ยิ่งเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นหน้าของบ็อกเซอร์ไม่ได้โผล่มาที่หน้าต่างอีกสายไปซะแล้วสัตว์บางตัวคิดว่าจะวิ่งแซงหน้าไปปิดประตูรั้วฟาร์มแต่เพียงอีกครู่เดียวรถตู้ ก็วิ่งผ่านประตูรัว้วแล้วก็แล่นชฉวไปตามถนนจนหายลับไปจากสายตาและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นบ็อกเซอร์อีกเลยสามวันต่อมามีการประกาศว่าบ็อกเซอร์ตายแล้วที่โรงพยาบาลในวิลลิงดอน ทั้งที่ได้รับการดูแลอย่างดีเท่าที่ม้าพึงจะได้รับข่าวนี้แน่นอนประกาศโดยส q วิลเลอร์สควิลเลอร์เป็นผู้ที่มาแจ้งข่าวแก่สัตว์อื่นๆมันบอกว่ามันได้อยู่กับบ็อกเซอร์ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายแห่งชีวิตเลยทีเดียวมันเป็นภาพชวนตื้นตันใจที่สุดที่ฉันเคยพบเห็นมาทีเดียวฉันเนี่ยนะอยู่ข้างเตียงบ็อกเซอร์ จนถึงนาทีสุดท้ายตอนที่เขาจะตายแล้วก็แทบจะไม่มีเรี่ยวมีแรงพูดแล้วเขากระซิบข้างหูฉันแล้วก็บอกว่าเขาเสียใจอยู่เพียงเรื่องเดียวคือการที่ต้องมาจากไปก่อนที่โรงสีจะสร้างเสร็จบ็อกเซอร์บอกว่าจงเดินหน้าเถิดสหายจงมุ่งหน้าไปในนามของการปฏิวัติแอนิมอลฟาร์มจงเจริญสหายนโปเลียนจงเจริญนโปเลียนถูกเสมอนั่นแหละ คือคำสั่งเสียของบ็อกเซอร์ละสหายเซควิเลอร์พูดไปก็ยกกีบตีนขึ้นป้ายน้ำตาไปเหมือนกับว่าเศร้าโศกเสียใจเหลือเกินพอพูดจบสีหน้าท่าทางของมันก็เปลี่ยนไปมันนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งตาหยีหีมองกราดไปมาอย่างหวาดระแวงก่อนจะพูดต่อไปเซควิเลอร์บอกว่ามันรู้ว่าตอนที่เขาพาบ็อกเซอร์ไปจากฟาร์มนั้น มีการแพร่ข่าวลือที่ไม่ดีคือสัตว์บางตัวสังเกตเห็นด้านข้างรถตู้ที่บรรทุกบ็อกเซอร์ที่เขียนเอาไว้ว่าผู้กำจัดม้า ก, ก็เลยไปด่วนสรุปว่าบ็อกเซอร์ถูกส่งตัวไปยังโรงฆ่าสัตว์ช่างไม่น่าเชื่อเลยว่าสัตว์นี่จะโง่เง่าถึงเพียงนั้นสกิวเลอร์พูดแน่ละ่ะสกิวเลอร์เอ่ยด้วยความโกรธเกรี้ยวแล้วก็แกว่งกวัดหาง กระโดดย่องยั้งย่องแ ย, ง, ยงไปมาแน่ละว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมรู้จักสหายนโปเลียนท่านผู้นำอันเป็นที่รักเรื่องนี้มีคำอธิบายที่ง่ายมากรถตู้นั้นเคยเป็นสมบัติของผู้กาจัดมา้าก่อนที่สัตวแพทย์จะซื้อมาและยังไม่ได้ทาสีทับชื่อเดิมนี่แหละก็เลยทำให้เกิดการเข้าใจกันไปผิ ด, ผด พวกสัตว์พากันโล่งใจที่ได้ยินเช่นนี้และเมื่อสควิลเลอร์พันธนาเรื่องวาระสุดท้ายของบ็อกเซอร์อยางละเอียดละ อ, อ่ทั้งเรื่องการดูแลอย่างดีน่าชื่นชมที่บ็อกเซอร์ได้รับรวมไปถึงยาราคาแพงที่นโปเลียนยอมซื้อโดยที่ไม่หวงค่าใช้จ่ายความคลางแคลงใจที่ค้างคาก็มาลายหายไปหมดความเสียใจที่เพื่อนตายจากไปก็ทุดเลาลง เมื่อคิดว่าอย่างน้อยๆเพื่อนก็ตายอย่างมีความสุขและได้รับการดูแลที่ดีเลิศก่อนตายนบโปเลียนปรากฏกายในการประชุมตอนเช้าวันอาทิตย์ต่อมาถแถลงประกาศเกียรติคุณบ็อกเซอร์อย่างสั้นๆบอกว่าเสียใจที่ไม่สามารถจะนำซากของสหายผู้เป็นที่รักของทุกคนกลับมาฝังที่ฟาร์มได้ แต่ก็ได้สั่งให้ทำพวงกรีดใหญ่จากใบลอเรลที่มาจากสวนของฟาร์มแล้วก็ได้ส่งไปวางบนหลุมศพของบ็อกเซอร์แล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกหมูตั้งใจจะจัดงานเลี้ยงแสดงความอาลัยบ็อกเซอร์นโปเลียนส่งท้ายสุนทรน์ด้วยคำพูดที่เตือนให้ระลึกถึงคำขวัญประจำใจของบ็อกเซอร์สองเรื่องก็คือ 1. ฉันจะทำงานให้หนักยิ่งขึ้นและสหายนปโปเลียนถูกเสมอนี่เป็นคำพูดของบ็อกเซอร์ที่มันมักจะพูดอยู่เสมอว่ามันจะต้องทำงานให้หนักขึ้นและมันก็เชื่อมั่นในตัวนปโปเลียนนปโปเลียนบอกว่านี่เป็นคำขวัญที่สัตว์ทั้งหลายพึงรับไว้ประจำใจของตนเช่นเดียวกันนปโปเลียนว่าอย่างนั้นและเมื่อถึงวันที่กาหนดจัดงานเลี้ยง รถตู้จากร้านขายของชำก็วิ่งจากวิลิงดอนมาจอดที่ฟาร์มเพื่อส่งลังไม้ขนาดใหญ่ล่างหนึ่งคืนนั้นมีเสียงร้องเพลงเอะอะครื้นเครงตามมาด้วยเสียงที่เหมือนกับการทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วก็เงียบลงพร้อมกับเสียงแก้วแตกเปรี้ยงปร้างเมื่อประมาณสิเ็ดนาฬิกา ในบ้านไร่ไม่มีสัตว์ตัวไหนกระดิกกระเดีย้ยก่อนเที่ยงของวันถัดมาก็มีข่าวลือว่าพวกหมูได้ไปหาเงินมาจากที่ไหนสักแห่งก็ไม่ทราบเพื่อซื้อเหล้าวิสกี้อีกหนึ่งหลัง หลายปีผ่านไปชีวิตอันแสนสั้นของพวกสัตว์ก็สิ้นสุดไปตามกาลจนถึงวันที่ไม่มีสัตว์ตัวไหนจดจำวันคืนเก่าๆสมัยก่อนการปฏิวัติได้ยกเว้นโคเวอร์เบนจามินเจ้ากาโมเศสและก็หมูอีกจำนวนหนึ่งตอนนี้มีเรียลตายไปแล้วบรูเบลเจสซี่พินเชอร์ ก็ตายนายโจนส์ก็ตายไปแล้วเช่นกันนายโจนส์เสียชีวิตในสถานบำบัดผู้ติดสุราเรือรังซึ่งตั้งอยู่ที่อีกภาคหนึ่งของประเทศไม่มีสัตว์ตัวไหนจดจำสโนโบอลได้ไม่มีสัตว์ตัวไหนจดจำรำลึกถึงบ็อกเซอร์ยกเว้นบางตัวที่เคยรู้จักมันตอนนี้โคเวอร์กลายเป็นแม่ม้าแก่อุยอายคอแข็ง แล้วก็มักจะตาแฉะอยู่เป็นประจำโควเวอร์อายุเลยวัยเกษียณมาสองปีจริงๆแล้วสัตว์ทุกตัวควรที่จะได้เกษียณแล้วก็ได้พักผ่อนตอนอายุ12แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าไม่มีสัตว์ตัวไหนเลยเคยได้เกษียณอายุตามที่เคยคุยกันเอาไว้เรื่องที่พูดกันว่าจะจัดมุมหนึ่งในท้องทุ่ง ใหสัตว์ที่หมดอายุงานไม่มีการเอ่ยถึงอีกมานานแล้วตอนนี้นะโปเลียนกลายเป็นหมูเต็มวัยหนัก24่สิสโต stone stone เป็นหน่วยวัดอย่างไม่เป็นทางการในอังกฤษแล้วก็ไอร์แลแนด์ค่ะ1นึ่ stone เท่ากับประมาณ 6.35 กิโลกรัมนะคะในส่วนของสกิลเลอร์ก็อ้วนจนกระทั่งตาปิดแทบจะมองอะไรไม่เห็น มีแต่เบนจามินที่ยังคงเหมือนเดิมเบนจามินเป็นลามันมีขนงอกมากขึ้นบริเวณปากและนับตั้งแต่บ็อกเซอร์ตายไปเบนจามินก็มีอารมณ์ที่ขุ่นมัวมากยิ่งขึ้นคือปกติก็อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งอารมณ์ไม่ดีหนักขึ้นแล้วก็เงียบครืมลงไม่เคยพูดไม่ค่อยจะยิ่งกว่าเดิม ปัจจุบันมีสัตว์มากขึ้นในฟาร์มถึงแม้ว่าจะไม่มากเหมือนแต่ก่อนสัตว์หลายตัวที่เกิดมารู้สึกว่าการปฏิวัติเป็นเพียงประเพณีอันเลือนรางที่เล่าขานสืบต่อกันมาสัตว์ตัวอื่นๆก็เป็นสัตว์ที่ซื้อเข้ามาในฟาร์มไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนั้นมาก่อนตอนนี้ที่ฟาร์มมีม้าสามตัวนอกจากโคเวอร์ ม้าใหม่ที่มาเป็นม้าที่แข็งแรงสู้งานหนะักเป็นเพื่อนที่ดีแต่ว่าไม่ฉลาดและไม่มีตัวใดสามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้เกินกว่าอักษร B ีบ็อกเซอร์นี่ได้4อักษรนะ A B C D ม้าพวกนี้ยอมเชื่อฟังเรื่องการปฏิวัติและหลักสัตว์นิยมตามที่ถูกสอนสั่งทุกประการโดยเฉพาะตามที่โคเวอร์สอน พวกมันนับถือโคเวอร์เป็นเสมือนแม่คือเชื่อฟังว่าง่ายแต่ก็ไม่รู้ว่าม้าใหม่เหล่านี้เข้าใจเรื่องดังกล่าวได้ดีมากน้อยเพียงใดบัดนี้แอนิมอลฟาร์มมีความมั่งคั่งขึ้นกว่าแต่ก่อนและก็มีการจัดการที่ดีขึ้นสามารถขยายพื้นที่ออกไปได้อีกสองแปลงโดยซื้อมาจากนายผิวขิงตั้น โรงสีลมก็สร้างเสร็จจนได้ในที่สุดและฟาร์มก็มีเครื่องฟัดข้าวและเครื่องโกยฝางใช้แล้วก็ยังมีอาคารที่สร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายหลังนายวิมเปอร์ซึ่งเป็นตัวกลางที่ติดต่อระหว่างแอนิมอลฟาร์มกับมนุษย์เนี่ยซื้อรถลากสองล้อมาใช้คันหนึ่งอย่างไรก็ดีค่ะโรงสีลมนั้นก็ไม่ได้ใช้ผลิตไฟฟ้าแต่กลับใช้บดข้าวโพด แล้วก็ทำให้ได้เงินกําไรอย่างงดงามทีเดียวพวกสัตว์กำลังทำงานหนักเพื่อสร้างโรงสีลมอีกหลังหนึ่งโดยว่ากันว่าเมื่อสร้างเสร็จจะมีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟแต่ว่าความเป็นอยู่ที่สุขสบายตามที่สโนบอลเคยสอนให้สัตว์ฝันถึงเช่นคอกที่มีแสงไฟฟ้า มีน้ำร้อนน้ำเย็นรวมทั้งการทำงานสัปดาห์ละ3วันความฝันเหล่านี้ไม่มีการเอ่ยถึงอีกต่อไปนโปเลียนบอกว่าความคิดแบบนี้ขัดแย้งกับคติของลัทธิสัตวะนิยมเพราะความสุขอันแท้จริงอยู่ที่การทำงานหนักและการใช้ชีวิตอย่างสมระตังหาแต่อย่างไรก็ดี ความร่ำรวยมั่งคั่งของฟาร์มดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำให้พวกสัตว์รวยขึ้นเลยยกเว้นแต่หมูและก็หมาคือสุกรและสุนัขเท่านั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีหมูและก็หมามากเหลือเกินแต่ก็ใช่ว่าสัตว์พวกนี้จะไม่ทำงานตามวิถีทางของพวกมันดังที่สกิลเลอร์คอยพร่ำอธิบายอย่างไม่รู้เบื่อ ว่าพวกมันเนี่ยงานยุ่งขนาดไหนในการควบคุมดูแลแล้วก็จัดการฟาร์มงานพวกนี้เป็นงานที่สัตว์อื่นๆซึ่งไม่มีสติปัญญาพอทำไม่ได้คือเป็นงานหนักแล้วก็เป็นงานสำคัญต้องพวกมันเท่านั้นถึงจะทำได้สัตว์อื่นๆทำไม่ได้หรอกยกตัวอย่างเช่นสคริวเลอร์บอกกับสัตว์ทั้งหลายว่า หต้องตรากตรามทางานอย่างหนักทุกวันกับสิ่งหน้าชฉนสนเท่ที่เรียกว่าแฟ้มรายงานบันทึกการประชุมและบันทึกช่วยจำสิ่งเหล่านี้เป็นกระดาษแผ่นใหญ่หญที่ต้องมีอักษรเขียนไว้เต็มพฤ้และเมื่อเขียนจนเต็มหมดแล้วก็นำไปเผาในเตาส q u ิลเลอร์บอกว่านี่เป็นเรื่องสาคัญมากเพื่อความสุขสวัสดี ของไร่แต่ถึงกระนั้นหมูและหมาก็ไม่ได้ลงแรงผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตัวแต่อย่างใดคือไม่ได้ทํางานทางด้านการผลิตอาหารเหมือนกับสัตว์อื่นๆแต่ก็ยังมีหมูและก็หมามากมายและที่สําคัญก็คือว่าสัตว์เหล่านี้ล้วนเจริญอาหารอยู่เสมอ ส่วนสัตว์อื่นๆชีวิตของพวกมันก็ยังคงดาเนินไปเหมือนที่เคยเป็นมานั่นก็คือกินไม่ค่อยอิ่มมักจะหิวโหวยอยู่เสมอนอนบนพื้นที่ปูฟางดื่มน้ำจากบ่อตรากตรำทำงานหนักหน้าหนาวก็หนาวจากอากาศที่เย็นเยือกหน้าร้อนก็มีแมลงรบกวนบางครั้ง พวกสัตว์ที่อายุมากก็พยายามนึกทบทวนความทรงจำอันเลือนรางว่าในช่วงแรกของการปฏิวัติตอนที่เพิ่งขับไล่ในโจรไปได้ไม่นานนั้นสิ่งต่างๆดีกว่าหรือเลวกว่าในปัจจุบันแต่ก็จาไม่ได้ไม่มีอะไรให้ใช้เปรียบเทียบกับสภาพชีวิตปัจจุบันไม่มีอะไรให้นำมาอ้างนอกจากรายการตัวเลขต่างๆของสครวเลอร์ ที่แสดงให้เห็นอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลว่าทุกสิ่งดีขึ้นเรื่อยๆสัตว <are> ์คบปัญหานี้ไม่แตกปัจจุบันพวกมันก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมานั่งคิดถึงเรื่องพันนี้มีเพียงลาเท่าเบนจามินที่มันบอกว่ามันจดจำรายละเอียดทั้งหมดของชีวิตอันยาวนานของมันได้เป็นอย่างดีแล้วก็รู้ว่าสิ่งต่างๆไม่เคยและไม่มีวันจะดีขึ้น หรือเลวลงมาก oh, <my> มันบอกว่าความหิวโหวย oh, <my> ความยากลำเค็นและความผิดหวัง <You S 1> เป็นกฎที่แน่นอนและตายตัวของชีวิต oh, <my> เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตาม Animal f a r ร์มได้ตอนหน้าตอนที่8นะคะ <My. S 1> กับห้องสมุดหลังใหม่ a n i m ม l f a r ร์มงานเขียนของจอร์ดออร w เวล และฉบับที่ใช้อยู่นะคะเป็นของสำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นแปลโดยคุณบัญชาสุวรรณนนท์วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัสมีมณีนิน this is Thai PBS podcasts this is Thai PBS podcasts